ด้วยผีหลอกสมัมผัสสยองลี่มีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่คืนนั้นเขาก็ขับรถรับส่งผู้โดยสารไปตามปกติหลังจากส่งผู้โดยสารคนก่อนหน้าเสร็จเขาขับไปได้สักพักหนึ่งก็เจอลูกค้าคนใหม่โบกรถ แล้วขอให้ไปส่งบริเวณใกล้ๆกับวัดพระสมุรเจดีลีบอกปฏิเสธกับลูกค้าคนนั้นขณะที่กำลังจ อ, อกรถไปด้วยความเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์และเก่งในการพูดต่อรองของลูกค้าหญิงคนนั้นก็ทำให้ลีใจอ่อนยอมไปส่งซึ่งขณะนั้นก็เป็นเวลาเกือบปีสองแล้วลีขับรถไปเรื่อยๆซึ่งเส้นทางนั้นจะต้องวิ่งผ่านป่ารกร้างเมื่อใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นคอนโดของลูกค้าน้องผู้หญิงลูกค้าที่นั่งมาด้วยก็เหลือบมองกระจกมองออกไปในป่าสักพักน้องเขาก็สะดุงกระโดดมาเกอะแขนคงลีแล้วเอาหน้ามาซบที่ไหล่ของเขาลีตกใจและแปลกใจมากว่าอยู่ดีๆทำไมน้องเขาถึงมีอาการเปลี่ยนไปหรือเขาจะวางแผนปน้นที่นี่เปรี่ยวสะดวยถ้าเกิดมีกลุ่มของพวกน้องเขาดักกลางทางจะทายังไง แต่ใจหนึ่งก็คิดไปเองว่าน้องเขาแอบชอบเราหรือเปล่าลีไม่พูดใดๆตั้งหน้าตั้งตาขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวังมากกว่าเดิมซึ่งเธอนั้นก็ยังไม่ขยับหรือเปลี่ยนท่าทางสิทธทีจนกระทั่งขับมาถึงที่หมายก็รู้สึกโล่งอกที่ไม่ถูกปลนแต่ก็ยังคิดว่าน้องเขาอาจจะชอบเราจริงๆก็ได้ขณะที่น้องเขากาลังจะก้าวลงจากรถ เธอหันมาถามลีว่าพี่กลับคนเดียวได้ไหมค่ะกลัวผีไหมลีแปลกใจในคำถามของน้องเขามากแต่ก็ตอบไปว่าไม่กลัวน้องเขาก็ถามยำๆซ้ำๆอยู่นั่นแหละจะให้ทำยังไงได้ล่ะครับมาส่งลูกค้าแล้วก็กลับสิหรือจะให้ไปอยู่กับน้องเธอยิ้มแล้วจ่ายค่ารถจากนั้นก็เดินขึ้นห้องไปโดยไม่พูดอะไรต่อขากลับลีก็ต้องกลับทางเดิม แต่ต่างกันเพราะครั้งนี้กลับมาคนเดียวข้างทางก็มืดเอามากๆระหว่างนั้นลีรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนกับว่าหน้าที่ตรงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ใดๆอยู่เลยตอนขามายังพบเห็นกบเขียดกระโดดอยู่บ้างข้างทางแต่ลีก็ขับต่อไปสักพักก็เจอสามแยกซึ่งเป็นทางตรงไปกับเลี้ยวซ้ายลี เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางสามแยกพอดีลักษณะเสื้อผ้าเก่าขาดและแต่งตัวมอมแมมมากลีคิดว่าน่าจะเป็นคนบ้าหรือเปล่าแล้วถ้าเธอกระโดดเข้ามาให้รถชนเราคงซวยแน่ๆพอขับรถเข้าไปใกล้อีกไม่ถึงสิบเมตรลีก็เปิดไฟสูงใสปรากฏว่าเธอไม่มีขา เ่อก้มหน้าแล้วก็ยื่นมือมาโบกรถช้าๆขณะที่มือซ้ายของเธอนั้นโบกรถอยู่เมื่อมองไปที่มือขวาจึงเห็นว่ามันยาวผิดมนุษย์มากและมือข้างนั้นกำลังค้ำตัวของเธออยู่มันสยองยิ่งกว่าหนังผีซะอีกลีช็อกและตกใจเป็นอย่างมากขณะที่รถของเขานั้นค่อยๆขยับเข้าไปหาเธอเรื่อยๆลีหลับตาในทันที แล้วนึกในใจว่าเดี๋ยวจะทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้อย่ามาหลอกกันแบบนี้เลยเมื่อได้สติลีลืมตาขึ้นมองผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่แล้วลีหักซ้ายแล้วเหยียบคันเร่งส่งร้อมตะโกนลั่นคนเดียวอยู่ในรถช่อด้วยผีหลอกขนาดเดียวกันลีหันไปมองกระจกหลังปรากฏว่าเธอคนนั้นยังอยู่ ใช้มือตะกายพื้นวิ่งตามรถของลีมาลีเยียบยังไม่คิดชีวิตไม่หันไปมองกระจกหลังอีกเวลาผ่านไปไม่นานแต่สำหรับลีแล้วมันนานมากลีเยียบรถขับมาเรื่อยๆจนถึงถนนแห่งหนึ่งก็เจอยายคนหนึ่งมาโบกรถก่อนที่จะจอด ลีมองยายตั้งแต่หัวจรดเท้าว่ามีอวัยวะครบไหมโชคดีที่ตรงนี้สว่างด้วยเมื่อลีจอดรถก็ถามยายไปว่าเป็นผีหรือคนถึงแม้ยายจะไม่เหมือนผีแต่ก็ถามเผื่อไว้ก่อนยายจึงตอบว่าเป็นคนแล้วก็เปิดประตูรถขึ้นมานั่งหันหน้าไปมองลีแล้วก็ทักว่าโดนผีหลอกมาละสิลีจึงเล่าให้ยายฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ยายก็บอกว่านี่ยังดีนะบางคนเจอเขาขึ้นมานั่งอยู่ในรถเลยแล้วยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีคู่รักชาวพม่าคู่หนึ่งอยู่กินด้วย ก, กันใกล้ๆบริเวณแถวนี้คืนหนึ่งเกิดทะเลาะ ก, กันรุนแรงผู้ชายก็เลยหลอกแฟนสาวมายังที่เกิดเหตุแล้วก็ฆ่าทิ้งตัดแขนตัดขาของเธอแล้วยัดใส่ถุงเอาไว้ภายหลังมีคนไปพบศพ เพราะว่ามีหมาไปคุยถุงและคาบแขนศพวิ่งออกมาจนคนที่เห็นนั้นแตกตื่นลีจึงได้รู้ว่านี่คงเป็นสาเหตุที่น้องลูกค้าผู้หญิงคนนั้นกระโดดมาเกอกเขาสินะ สัมผัสซยอง